การปฏิบัติของพระธุดงคกรรมฐานสายท่านอาจารย์มั่นโดยมากท่านชอบอยู่ในป่าในเขาดังกล่าวมาเพื่อหลีกเล้นอยู่สบายในการบําเพ็ญสมณธรรมตามเวลาต้องการไม่ทำเวลาให้เสียไปด้วยกิจอื่นๆที่ไม่จำเป็นการก่อสร้างท่านถือเป็นค่าศึกแก่สมณธรรมดังที่ท่านแสดงไว้ในมหาขันธกวินัยเกี่ยวกัการบาเพ็ญของพระผู้เริ่มต้นฝึกหัดใหม่ ซึงยังไม่มีหลักจิตภูมิใจท่านสอนให้หลบหลีกปลีกตัวหาอยู่ในที่สงัดเช่นไม่ควรอยู่ในที่ใกล้ท่าน้ำที่ผู้คนหญิงชายจอแจไม่ควรอยู่ในสํานักที่กำลังกอ่อสร้างหรือซ่อมแซมเป็นต้นคิดดูเพียงบาดแผลเล็กๆที่ควรจะหายได้ด้วยยาในเวลาไม่นานแต่เมื่อถูกกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆอยู่เสมอก็ย่อมกาเริบได้ทั้งที่รักษาอยู่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 จึงเป็นความไม่ประมาททั้งผู้เริ่มฝึกหัดและผู้ฝึกหัดมานานแล้วจะถือว่าตนเป็นกรรมฐานเก่าอบรมมานานเข้าไหนเข้าได้อย่างนั้นไม่ได้เป็นความประมาทหรือจะมีใครมาว่าประมาทจนด้านก็น่าจะจริงคำเขาเพราะเพียงการฝึกเก่าหรือใหม่ไม่สำคัญเท่าความเป็นหลักฐานมั่นคงของใจ นั่นเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมะที่ประทานไว้ฉะนั้นในสมัยปัจจุบันท่านพระอาจารย์มั่นจึงสอนบรรดาศิษย์เน้นหนักในทางความเพียรในสถานที่สงัดสำหรับพระธุดงค์สายของท่านและไม่สอนให้เป็นอาจารย์ใครก่อนสอนให้เป็นอาจารย์ตนในอันดับแรกเพื่อใจจะได้มีหลักฐานมั่นคงจนสามารถรักษาตัวได้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 ทั้งสอนให้ระวังสิ่งทำลายจิตใจโดยทางอ้อมคือเรื่องก่อความยุ่งยากหรือเครื่องกังวลใส่ตนด้วยการจัดนั้นสร้างนี้อันเป็นงานของโลกก็ทำกันมิใช่งานสำคัญของพระทุดงผู้มุ่งความหลุดพ้นในขั้นดำเนินและสอนให้สนใจภาวนาดูกิเลสความปุ้งเฟ้อของตัวมากกว่าการเสริมมันด้วยการหาภาระหยบยบมาเกี่ยวข้องวุ่นวาย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 จนกลายเป็นเพิ่มรำคาญกลายเป็นเรื่องกวนทั้งตนและผู้อื่นให้ขุนเป็นตมเป็นโคลนไปตามๆกันเพราะนักปฏิบัติยึดทางนี้เป็นทางเดินของการแก้กิเลสและความสงบสุขของตนและบ้านเมืองกิเลสจึงได้ใจอยากให้พามันเที่ยวแบบนี้จนไม่มีเวลาพักผ่อนย่อนใจเข้าสู่ความสงบเลยยิ่งดีวงปฏิบัติ จะได้ไม่มีข้อวัดปฏิบัติที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์เหลืออยู่ขณะท่านเน้นธรรมะลงอย่างถึงใจท่านเองรู้สึกน่ากลัวมากเพราะไม่ถึงใจเราที่ชอบในทางตรงข้ามกับท่านเช่นท่านเน้นลงว่าเอานักปฏิบัติคนใดอยากแซงไอ้เท่าผู้โง่เขลาเต่าปลาก็แซงไปเมื่อได้ธรรมะดวงเลิศมาด้วยวิธีนั้น ก็ขอนิมนมาโปรดไอ้เท่าบ้างพอให้เห็นฟ้าเห็นดินกับเข้าบ้างไอ้เท่าอยู่แต่ในป่าภาวนาแบบหลับหูหลับตาไม่ได้มองดูเดือนดาวและโลกสงสารว่าเจริญหรือเสื่อมไปอย่างไรบ้างผู้ต้องการความเจริญก้าวหน้าแบบทันสมัยก็จงเอาแบบทันสมัยมาใช้ภิกษุเท่าไม่มีปัญญาหาแบบทันสมัยมาใช้ก็เอาแบบทุดงควัดเก่าแก่ ที่พระพุทธเจ้าประธานให้มาใช้ไปตามภาษาของตนแต่ใครๆก็ชอบมายุ่งมากวุ่นอยู่ไม่วายไม่ให้อยู่สบายได้พอชั่วขณะบ้างเลยเมื่อมาแล้วแทนที่จะใช้สติปัญญาสอดส่องมองข้อวัดปฏิบัติเป็นเครื่องยึดดำเนินตามแต่กลับเป็นพระสมัยเดินทางลัดตัดกิเลสด้วยกิจนั้นงานนี้เพื่ออวดโลกว่าตนมีความสามารถวาสนา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 พอออกไปจากที่นี่แล้วก็จะเที่ยวพูดโอดโลกเข้าว่าตนเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นยังไม่มีเวลางับปากจนเขาเบื่อจะฟังนั่นสิที่สําคัญตอนหนึ่งที่นีอาจารย์มั่นเป็นพระป่าพระป่าแต่ลูกศิษย์อาจารย์มั่นโดยมากเป็นพระทิ่ทานสมัยนั่นสิตอนมันจะเน่าเฟะไปหมดด้วยศิษย์อาจารย์มั่นประกาศขาย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 การกระทาและการรบกวนต่างๆที่ไม่มีประมาณซึ่งล้วนเป็นเรื่องทำลายตนทำลายครูอาจารย์ทำลายวงปฏิบัติและพระศาสนาให้เสียหายไปด้วยทั้งสิน้นนิมิต ท, ที่เคยปรกากฏขณะภาวนาว่ามีพระวิ่งแซงหน้าแสงหลังไปซึ่งเป็นการสอรแสดงถึงความเก่งกล้าหน้าด้านของพระปฏิบัติผู้ไม่มีฮิริโอตปัตธรรมะในใจนั้น เริ่มแสดงเป็นประจักษ์พยานขึ้นมาทุกทีทั้งที่ผมยังไม่ตายตอนผมตายไปแล้วใครมีลวดลายแห่งเสือโครง่งเสือเหลืองอย่างไรที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจะต้องนำออกแสดงอย่างเต็มฝีมือโดยไม่สงสัยการขายตัวและขายครูอาจารย์ก็เริ่มขายเล็กขายน้อยไปบ้างแล้วแต่บัดนี้โดวยวิธีการต่างๆตามลวดลายของแต่ละคนอันเป็นการแสดงความเสียหายในอนาคต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 จงแสดงตัวออกมาเดี๋ยวนี้คนเก่งหายากเราอยากพบเวลาตายเราจะเสียดายหมดวาสนาไม่ได้พบจึงขอพบขณะ น, นี้ที่ลมหายใจยังอยู่ดังนี้นี่แหละเวลาเด็ดท่านเด็ดจริงจนผู้ฟังเหงื่อแตกโชคร้อนยิ่งกว่าถูกไฟส่วนผู้ฟังด้วยความสนใจต่ออัฏฐะต่อธรรมะและมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติจริง เด็ดเท่าไรใจยิ่งหมอบยิ่งยอมยิ่งเย็นผิดกับท่านแสดงธรรมดาเป็นไหนไหนที่นำมาลงนี้เพื่อท่านผู้อา่านได้รู้เรื่องท่านทั้งฝ่ายดีฝ่ายเด็ดและอะไรต่างๆ ต, ตลอดฝ่ายลูกศิษย์ทั้งหลายที่อาจมีผู้เข้าใจว่าจะดีตามท่านไปเสียทุกอย่างหรือทุกรายความจริงก็ย่อมมีดีชั่วสับปนกันไปเช่นเดียวกับพ่อแม่มีลูกหลายคน ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันไปฉะนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ก็เป็นคนมีกิเลสอาจมีดีและมีที่ตำหนิสับปนกันไปอย่างหลีกไม่พ้นการสังเกตพิจารณาด้วยดีทุกกรณีทั้งภายในภายนอกและดำเนินนั้นเป็นความรอบคอบชอบธรรมและเป็นมงคลแก่ผู้นั้นโดยเฉพาะก่อนจะเป็นมงคลแก่ท่านผู้อื่นที่พลอยได้รับ บางตอนที่ท่านแสดงในวงพระปฏิบัติล้วนและแสดงอย่างเผ็ดร้อนซึ่งเป็นธรรมะเฉพาะไม่ควรนำมาลงแต่ผู้เขียนเป็นคนนิสัยไม่ดีกลับไปชอบใจที่เผ็ดเพ็ดกรนร้อนมากกว่าธรรมดาเพราะถึงใจที่อยู่ลึกและไม่ชอบโผล่หน้าขึ้นมารับอัฏฐรับธรรมะง่ายๆเวลาโผล่ขึ้นมารับธรรมะบ้างแม้เผ็ดร้อนก็ยอมทนเอาจึงได้นามาลงไว้เพื่อท่านผู้อ่าน ซึ่งมีความรู้สึกคล้ายคลึงกันอาจสะดุดใจนำไปคิดเพื่อประโยชน์สำหรับตัวบ้างหากเป็นการไม่สมควรก็ขออภัยตามธรรมดาธรรมะก็ย่อมมีทั้งลึกทั้งตื่นทั้งหยาบทั้งละเอียดการแสดงก็ควรจะมีลักษณะต่างๆกันไปตามในยะแห่งธรรมะเพื่อผู้ฟังซึ่งมีนิสัยต่างกันจะได้สนุกเลือกเอาตามจริตที่ชอบ